พอน้อมน้อมต่อคุณพระตนะไตรโอกาสพระอาจารย์ต่อเพื่อนสตรีครูท่านเจริญธรรมแม่ชีนักเรียนและญาติธรรมทุกท่านเนาะนั่งสบายๆเนาะนั่งให้รู้สึกตัวไปฟังไปก็รู้สึกตัวไปเนาะวันนี้ก็ทางวัดป่าสุโตก็ยินดีไม่ต้องพนมมือก็ได้เนาะก็ยินดีต้อนรับนักเรียนจากเรียนรุ่งรุ่น ทุกๆคนนะรวมทั้งคุณครูด้วยเพราะว่าเราก็มาปฏิบัติธรรมเข้าคอร์สเป็นเวลาเจวันเนาะเพื่อว่าเราะจะได้มีสตินำไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียนเรนะจะได้เรียนหนังสือเก่งๆแล้วก็มีกริยามารยาทที่เรียบร้อยอมีนิสัยดีนะเป็นการให้เรามีความรู้ คู่คุณธรรมเนาะเราก็เลยมาปฏิบัติกันที่วัดป่าสู่โตในครั้งนี้นะครา้นี้เนี่ยเราก็ศึกษาพระไตรปิฎกน ะ, ะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีมากมายมมีถึงแปดหมื่นธี่พันมาัันเนี่ยมีเยอะมากเนาะนะเพราะนั้นถ้าเรายอร่อลงมาให้เหลือสั้นๆนะก็จะง่ายขึ้นนี่ถ้าเรายอร่อลงมาแล้วนะก็จะได้หลักสองปรการคือ ประการแรกให้เรารู้จักความทุกข์ประการที่สองนะก็เพื่อให้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นั้นเนาะคือให้รู้จักทุกข์และก็ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นี่แหละคือหัวใจหลักนะของพระพุทธศาสนานะตรงเนี้เป็นสิ่งที่ว่าเรานะประการแรกนะเราเห็นความทุกข์ไหมเนาะนะความทุกข์เนี่ยนะตอนนั้นก็ เคยไปอชักชวนคนมาปฏิบัติธรรมเขาถามว่าจะไปทําไมก็บอกว่าเออปฏิบัติธรรมแล้วความทุกข์ก็จะน้อยลงนะเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่เห็นมีความทุกข์อะไรเลยเขาก็สบายดีเพราะฉะนั้นเขาก็จึงไม่ไปฏิบัติธรรมเนะก็คือคนส่วนใหญ่ก็เห็นเช่นนี้นั่นแหละเพราะฉะนั้นอ่าจึงสําคัญว่าเราเห็นไม่ว่ามีความทุกข์อยู่จริงนะถ้าเราเห็นความทุกข์ได้เนี่ย เราก็จะได้รู้ว่าเออเนาะเราไปปฏิธรรมไปทําไมใช่ไหมก็เพื่อให้หมดทุกข์ให้ความทุกข์น้อยลงเนา ะ, นะความทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาอยู่แล้วเราเห็นไหมใช่ไหมเมื่อกี้เราอาจจะสวดมนมานั่งมาครึ่งชั่วโมงนะถ้าเรามีความปวดเมื่อยเห็นไหมว่าเออเนี่ยมันก็มีความทุกข์แล้วเนาะนะหรือบางบางคนก็รู้สึกหิวหิวหิ ว, ห, วหิวแล้วเราไม่ได้ทานเข้าเย็นกันก็นกมีใช่ไหม ะตรงเนี้ยเราก็ความหิวก็เป็นความทุกข์นั่นเองเนาะหรือบางคนรู้สึกง่วงนอนแล้วนะะความง่วงนอนก็เป็นความทุกข์เห็นไหมบางทีก็รู้สึกเออมันร้อนจังเลยนะความร้อนก็เป็นความทุกข์เนาะบางทีไม่ทันลายโอ๊อยากจะไปเข้าห้องน้ําแล้วเนาะเนี่ยก็เป็นความทุกขนะ์เห็นไหมความทุกข์เนี่ยปรากฏขึ้นมาได้เรื่อยๆตลอดเวลาเลยเนาะคราวเนี้ย อ่าความทุกข์ก็มีสองอย่างนะคือความทุกข์กายและความทุกข์ใจอความทุกข์กายก็เมื่อกี้ยันที่บอกไปแล้วนะความปวดความเมื่อยความหิวนะปวดอุจจระปัสวะอะไรทั้งหลายแลเนี่ยเป็นความทุกข์กายเนาะความทุกข์กายนะเป็นแค่เราบรรเทาทุกเท่านั้นเองะเช่นเราหิวข้าวเราก็ไปทานข้าวแล้วก็หายเนาะ <c oughs> แต่อีกสักประเดี๋ยวสักสี่ห้าชั่วโมงเราก็หิวก็จะไปทานอีกแล้วเนาะ <c oughs> อหรือว่าเราปวดเมื่อยเราก็เปลี่ยนมาเดินไปเดินไปนั่งอ่าเราเดินนานๆก็ปวดเมื่อยก็ต้องมานั่งะอหรือเราแม้แต่เรานอนนะนอนสบายอเรานอนไปนานๆก็ทนไม่ไหวก็ต้องลุกขึ้นมามาเปลี่ยนเรืบ่บดเนาะเนี่ยก็คือเราแก้ทุกนั่นเองใช่ไหมเรา <c oughs> ความทุกข์เนี่ยต่างๆนะอย่างที่บางทีเราร้อนเนี่ยใช่ไหมเราบางทีก็เออมีพัดลมพัดมานะเราก็เย็นใช่ไหมอ่า แต่มันก็แก้ไม่ได้จริงๆนะเดี๋ยวมันก็ร้อนใหม่ใช่อหมอเราไปอยู่ห้องแอร์มันเราก็ไม่ได้อยู่ห้องแอร์ตลอดเวลาเดี๋ยวก็ต้องออกมาข้างนอกก็ต้องร้อนใหม่เนะี่ยมันเป็นสิ่งที่ว่าเออความทุกข์ทางกายนะมันแก้ให้หายหมดไม่ได้หรอกมันแค่บรรเทาทุกข์เท่านั้นเองนะก็เรียกว่าบรรเทาชั่วคราวเราเราก็ต้องแก้ไปเรื่อยๆนะเพราะเราเกิดมาแล้วก็มีความแก่ความเจ็บความตายใช่ไหมตรงเนี้เป็นทุกข์ประจําสังขารเราอยู่แล้ว มันนี้ไม่พ้นนะเกิดมาแล้วก็มีความแก่ความเจ็บความตายใช่ไหมเป็นสิ่งหนีไม่พ้นเพราะฉะนั้นนะมันเราต้องบำลุงดูแลรักษาเขาไปเรื่อยๆเพราะว่าเราแก้เขาไม่ได้หรอกแก้ไม่ให้เจ็บไม่ให้แก่ไม่ตายก็ไม่ได้เนาะเป็นความจริงใช่ไหมเนะี่ยส่วนความทุกข์อีกตัวหนึ่งก็คือความทุกข์ทางจิตใจเนาะความทุกข์ทางจิตใจเนี่ยอมันก็ร้ายแรงนะอ่านะความทุกข์ทางจิตใจเนี่ยทําให้คนฆ่าตัวตายได้ใช่ไหม บางคน ผ, ผิดหวังนะผิดหวังจากเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะบางคนผิดหวังในเรื่องความรักผิดหวังในเรื่องการงานผิดหวังในเรื่องครอบครัวผิดหวังในเรื่องเศรษฐกิจเนาะอันพวกนี่เขาก็ฆ่าตัวตายได้ใช่เพราะนั้นการที่เราคนฆ่าตัวตายเนี่ยแสดงเขามีความทุกข์เยอะนะเราจะไม่ค่อยเห็นคนที่นอนใต้สะพาน ล, ลอยนะนอน <c oughs> นอนตามสถานีรถไฟ หรือคนเก็บขยะเนี่ยพวกนี้ก็ไม่ค่อยฆ่าตัวตายก็หรอกเนาะแต่คนที่ฐ า, านะดีเนี่ยฆ่าตัวตายกันเยอะนะเพราะว่าอ่มันมันมีฐานะดีก็จริงมีการกินอยู่ดีก็จริง <c oughs> แต่ว่าทนความทุกข์ใจไม่ไหวเนาะมันก็คล้ายๆว่ามันก็อ่าไม่รู้จะทําทอย่างไรดีนะเ อ, อมีแต่ความทุกข์ใจทั้งนั้นเลย <c oughs> มันก็เหมือนกับว่าไม่มีหนทางไปถึงทางตัน <c oughs> ก็เลยตัดสินใจฆ่าตัวตาย <c oughs> เพราะฉะนั้นน ะ, ะคนเราเนี่ยความทุกข์ใจเนี่ยมันมันรุนแรงกว่าความทุกข์กายใช่ไหมแต่ว่าความทุกข์ใจนะถึงว่ามันจะร้ายแรงกว่าแต่ว่ามันสามารถที่จ ะ, ะแก้ไขดับได้เด็ดขาดเนาะคือทําให้หมดไปจากใจเราเนี่ยได้เด็ดขาดเราสามารถที่จะพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงทั้งในทางจิตใจเนาะเพราะฉะนั้นพระอรหันต์นะท่านก็หมดหมดความทุกข์ทางใจแล้วนะ แต่ว่าท่านก็มีความทุกข์กายอยู่นะเพราะฉะนั้นนะการที่เรามาเปิดปติธรรมก็เพื่อว่าเรามาดับความทุกข์ทางใจนั่นเองนะความทุกข์ทางกายเนี่ยเราเราบรรเทาทุกข์แต่เราเนี่ยสามารถที่จะดับความทุกข์ทางใจได้ใช่ไหมนะเมื่อเมื่อความทุกข์ทางใจเราลดน้อยลงเราดับไปได้แล้วนี่แหละเราก็จะเปนทุกข์ทีแท้จริงนะเพราะฉะนั้นการปฏิธรรมก็คือเรามาแก้ไขระดับความทุกข์ที่ใจเราเนะนาะครั้นี้ก็อย่างที่ว่าแล้วนะมีความ แก่เกิดมาแล้วก็มีความแก่ความเจ็บความตายนี่แหละแล้วก็มีความโศกความลำลารลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจการประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์การพัดภาคจากสิ่งที่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ ขันทั้ง5้าก็คือกายและใจเนาะก็คือกายและใจนี่แหละเป็นตัวทุกข์เนาะเนี่ยเห็นไหมความทุกข์มีอยู่จริงใช่ไหมขันนี้น ะ, ะความทุกข์นี่แหละก็เคยคุยกับบางคนนะก็อะบอกว่าเขาก็ไม่ปฏิบัติธรรมเขาก็ไม่เห็นมีความทุกข์อะไรเลยขนาดเขาอยู่โรงพยาบาลนะเขาก็ไม่มีความทุกข์หรือเขาเป็นโครคภัยไข้เจ็บเขาก็ไม่มีความทุกข์อะไรเขาลุกสึกเป็นเรื่องธรรมดาเนาะ หรือจริงๆแล้วนะเขาตายเขาก็เขาก็ว่าเขาก็ไม่มีความทุกข์หรอกเพราะใครใครก็ตายกันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นความตายก็เป็นเรื่องธรรมดาเขาก็ไม่เห็นว่าจะต้องมีความทุกข์ไรเลยเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือเขาก็ไม่เห็นความทุกข์ก็ไม่มีความทุกข์ไรเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ต้องไปบัตรธรรมก็ได้นะเพราะเขาก็มีความสุขดีอยู่แล้วใช่ไหมตรงเนี้ยคือเนี่ยเขาไม่เห็นความทุกข์ที่แท้จริงนะความทุกข์ที่แท้จริงนี่มันไม่ใช่ว่าเราไปบัตรธรรมเพื่อให้เราหมดทุกข์ในในปัจจุบันชาตินี้เนาะ ไม่ใช่ว่าไปปฏิบัติรรมเพื่อให้ความทุกข์ของเราลดลงในขณะนี้นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อที่ว่าอ่าให้หมดจากการเบียนว่ายตายเกิดนั่นเองเนาะเขาเรียกว่าเป็นทุกข์ในสังสารวัฏนะตรงเนี่ยสําคัญมากใช่ไหมไม่ใช่ว่าเออชาตินี้เรามีความสุขไม่มีความทุกข์อะไรนะมันไม่ใช่ว่าแค่นั้นใช่ไหมแต่ว่าการที่เราไปปฏิบัติธรรมนี่แหละ มันเพื่อว่าให้เรารู้จักกิเลสเราเองนะในใจเรามีกิเลสกิเลสอะไรอยู่มีความโลภต่างๆเรารู้ทันไหมมีความโกรธความไม่พอใจความหงุดหงิดความคับแค้นใจความเกลียดความบิดฉากความหึงหวงความน้อยใจเนี่ยเรารู้ทันหมใช่ไหมความหลงนะไม่รู้ว่ากายกําลังทําอะไรอยู่ไม่รู้ว่าใจกําลังทําอะไรอยู่เนี่ยเรารู้ทันไหม เพราะฉะนั้นกิเลสพวกนี้เรารู้ทันไหมใช่ไหมถ้าเรารู้ไม่ทันนะเขาก็จะมีเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมความโกรธเรารู้ไม่ทันนะความโกรธบางทีเล็กๆน้อยๆเนี่ยเรารู้ไม่ทันก็กลายเป็นความโกรธมากขึ้นยกตัวอย่างนะบางทีรถมาวิ่งคันนึงมาวิ่งปาดหน้าปุ๊บคันนี้โดนปาดหน้าก็ไม่พอใจนะก็ไปวิ่งปาดหน้าเข้ากลับคันนี้โดนปาดหน้ากลับก็ไม่พอใจไปวิ่งปาดหน้าเข้ากลับอีก นะคราวนี้พอดีรถบางคันมีปืนนะอ่าก็เลยเอาปืนยิง อ, อีกคันหนึ่งคนขับอีกคันตายไปเลยเนาะอันนี้เพราะว่าอะไรไม่รู้จักกันใช่แต่ว่าเรามีความโกรธเราก็รู้ไม่ทันนะเราก็ฆ่าคนตายนะฆ่าคนตายนี่เป็นไงนะติดคุกนะหมดอนาคตต่างหากนะเป็นข่าวรายการนี้ก็โดนออกจากราชการเนาะนะเห็นมั้ยยังไม่ทันไอะไรแป๊บเดียว น่ากลัวมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นอความโลภความโกรธความหลงเนี่ย่ะไม่ใช่ว่าเร า, าเราแก้เขาแล้วนะอแก้เขาได้ไหมใช่ไหมถ้าเราแก้เขาได้เนี่ยชาตินี่นะความโกรธความโลภ ค, ความหลงเราลดน้อยลงนะตรงเนี้กิเลสเราลดไปแล้วอนะ่ภพภูมิที่เราต้องไปเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงไปนะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ผู้ใดที่ อ่าอันนี้เป็นที่ว่ากล่าวไว้นะไม่ว่าไม่ใช่ว่าพูดเองนะคือในพระไตรปิฎกนั้นะมีผู้ใดที่เป็นมิชฉาทิตฐิเมื่อถึงแก่ความตายพละกายแตกดับย่อมเข้าถึงทุกติวินิบาดนรกนะนะเห็นไหมเมื่อถึงแก่ความตายพละกายแตกดับก็คือตายจริงๆนะอันนี้ต้องเข้าสู่นะทุกติวินิบาดนระกใช่ไหมเพราะฉะนั้นการเว้นใบาตายเกิดนะี่มัอยู่จริงนะแม้แต่เจ้าก็ได้ทรงแสดงไว้ว่า ถ้ากระดูกที่ในแต่ละชาติมากองรวมกันนะนะก็จะเท่ากับเขาสินายรู้ถ้าน้ำตาที่เคยหลั่งไหล <c oughs> ในแต่ละชาติมารวมกันนะก็จะเท่ากับมาหาสมุทรนะหรือถ้าต้นข้าวในชมพูทวีมาทำเป็นกรรมกรมละสีนิ้วก็ยังน้อยกว่าภพชาติที่เราเคยเกิดมานะหรือนะผู้ใดไม่เคยเกิดทุกคนเคยเกิดเป็นญาติพี่น้องกันนะแทบั้งนั้นนะเพราะว่าภพชาติมันยาวนะอันเนี้ย เป็นสิ่งที่ว่ามีการยืนยันไว้ในพระไตรปิฎดกดนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มีอยู่จริงนะแล้วก็เคยบางทีก็เคยถามนะอบรมผู้ใหญ่น ะ, ะเป็นระดับเป็นหมอบ้างเป็นพยาบาลหรือว่าเป็นอาจารย์ก็เคยถามเขาว่าเออใครคิดว่าบาป บ, บุญมีจริงอาจารย์นาเวียนบ้ายตายเกิดมีจริงคนในกล้ามมีจริงยกมือขึ้น เพราะว่ายกมือเกือบทุกคนเลยนะเกือบทุกคนเลยอาจจะมีแค่คนสองคนเท่านั้นเองที่มายกมือนะแต่ที่ไม่ยกมือไม่ใช่ว่าเขาไม่เชื่อแต่ว่าเขาไม่แน่ใจเนาะนั้นก็คือคนที่ว่าเขามีความรู้ส่วนมากเขาก็เชื่อกันนะเพราะทุกวันเนี่ยเขาก็มีความมั่นใจแล้วเพราะฉะนั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมก็เพื่อว่าเราะจะทําให้ดับทุกข์ไม่ใช่ดับทุกข์ในชาตินี้เท่านั้นเนาะแต่มันมีการเรียกว่าดับทุกข์ในสังสารวัฏงาที่เราต้องเบียนไบไตเกิดนะับภพนับชาติไม่ถ้วนนะ แล้วบางทีเราเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่ว่าเกิดเป็นมนุษย์ทุกทุกทุกชาติแต่บางทีเราก็เคยเกิดเป็นสัตว์ได้ฉานเป็ดอสูรกายสาาัตว์นรกเป็นเทวดาเป็นพรหมนี่มันไม่รู้ว่าเราไปเกิดเป็นอะไรเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะถ้าหากว่าเราทําทให้กิเลสในใจเร า, าลดลงไม่ได้นะหรือว่าเราไม่รู้ทันกินเลสเนี่ยมันพบชาติมันก็ก่อให้เกิดเวียนว่ายตายเกิดนับพบนับชาติไม่ทั่วเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าภูเขาสินในรู้ลูกเดียวนะ ถ้าเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดก็จะเป็นภูเขาซินารุลูกที่สองนะที่กระดูกเรากองเท่ากับขนาดนั้นเนาะมันจึงน่ากลัวใช่ไหมเพราะฉนั้นการปฏิธรรมนี่ก็คือนะเรารู้ทันจิตใจของเราให้ได้นะรู้ทันนะความคิดรู้ทันอารมณ์ต่างๆเช่นความโลภความโกรธความหลงนะเมื่อเรารู้ทันแล้วเขาก็จะลดลงลดลงไปเองนะนะคราวนี้เมื่อเรารู้จักความทุกข์แล้วนะเราจะแบบให้พ้นจากความทุกข์ <c oughs> ให้ความทุกข์เราลดลงได้อย่างไรเนาะเมื่อะะกี้พระอาจารย์น้อยก็นําพวกเราสวดสติปัฏฐานสูตรนะในหมดกายนะอหมดกายนี้นะเป็นหมดที่เรียกว่าพระเจ้าก็ตัดเอาไว้นะอมันจะมีเริ่มต้นด้วยอาณาปนสติสอนน ะ, นะแล้วก็อาณาปนสติเนี่ยก็คือรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกถ้าหากว่าเรารู้ได้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะหายใจเข้าสั้น ก็รู้หายใจเข้าสั้นหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจเข้ายาวหายใจออกสั้นก็รู้หายใจออกสั้นหายใจออกยาวก็รู้หายใจออกยาวเนาะอันนี้สำหรับผู้ที่มีจิตใจละเอียดพอสมควรมีจิตใจที่เรียกว่าคล้ายๆว่าสามารถที่จะรู้ลมหายใจได้สบายๆแล้วมันก็มีความสุขในการรู้ลมหายใจได้ก็ควรจะรู้ลมหายใจไปแต่ถ้าผู้ใดที่รู้สึกว่าลมหายใจพอตั้งใจที่จะรู้ปั๊บมันก็แข็งนะ บางทีมันก็ตึงมันก็นั่นนะทํำไปทํามาก็ปวดหัวนะมันนั่นในหมดเลยนะหรือไม่ทําไปทำมาเอาลมหายใจหายไปหมดแล้วจะทําไงดีนะอันนี้แสดงว่าจิตใจเราไม่ละเอียดพอนะจิตใจเรายังหยาบอยู่ไม่ละเอียดพอนะเพราะเป็นเรื่องยากไม่ใช่เรื่องง่ายนะเราก็มารู้มากายอย่างอื่นแทนเนาะอ่าพระพุทธเจ้าบอกว่า <c oughs> ยืนให้รู้ว่ายืนเดินให้รู้ว่าเดินนั่งให้รู้ว่านั่ ง, น, ง, น, งนอนให้รู้ว่านอนนะ อันนี้คืออิริบบทใหญ่นะเพราะว่าคนเรานะมันจะมีอยู่สี่อิริบบทเท่านั้นเองใช่ไหมไม่ยืนก็เดินไม่เดินก็นั่งไม่นั่งก็นอนแค่นี้นะถ้าเรารู้ว่าเออขณะนี้นะเรากําลังทำอะไรอยู่นะเรากําลังนั่งถ้าเรารู้ว่ากําลังนั่งอ่ตอนนี้เราปฏิบัติธรรมจบแล้วนะอเรารู้ความจริงแล้วเนี่ยนั่งรู้ว่านั่งใช่ไหมหรือกําลังยกมืออรู้ว่ากําลังยกมืออันนี้ก็ปฏิบัติธรรมจบแล้วนะ พอเคยมีมีพราหมณ์มาถามพระเจ้าว่าอพระพุทธองค์ทรงล่วงโอคาได้อย่างไรพระเจ้าบอกว่าอตถาคตยืนเดินนั่งนอนนะพราหมณ์ก็หัวเราะเยาะบอกว่าชาวบ้านเขาก็ยืนเดินนั่งนอนเหมือนกั น, นพระเจ้าบอกว่าไม่เหมือนกันนะตถาคตยืนก็ล้วนยื น, นเดินก็ล้วนเดินนั่งก็ล้วนนั่งนอนก็ล้วนนอนพราหมณ์ก็เลยยอมรับว่าเอออย่างนี้ชาวบ้านก็ไม่รู้หรอก อันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่ากลับมารู้ไหมขณะนี้กาลังทำอะไรอยู่นะเป็นสิ่งที่ไม่ยากใช่ไหมรู้ว่ากําลังนั่งกำลังยืนกําลังเดินกําลังนอนนี่แหละเป็นการปฏิธรรมแล้วนะแล้วมันก็อยู่ในจิตจําเราด้วยนะต่อมานะก็ทรงบอกว่าเหลยวซ้ายแรงขวาเดินหน้าถอยหลังคู่แขนเหยียดแขนก้ม เ, เงย ท, ทรงจีบอลสังคาติดื่มลิ้มกินเคี้ยว อุจจารปัสสวะก็ให้รู้สึกตัวว่าขณะนั้นขณะนั้นกําลังทําอะไรอยู่ก็ก็คือให้รู้ในอิบอทย่อยต่างๆที่เรามีการเคลื่อนไหวในกายเราะเช่นตอนนี้เรายกมือสร้างจังหวะนะหรืออ่าอาจจะเอามือเคาะเคะหรือคลึงนิ้วนะตรงเนี้ยเป็นอิบอทอิบอทย่อยนะอย่างเช่นอ่ามีคนถามลงพ่เทียนว่าโอ้่ะที่ท่านสอนสติจังหวะเนี่ยมีในพระไตรปิฎกไหมหลวงพ่เทียนมาว่า เขาไม่ได้เขียนไว้ก็ไม่มีหรอกแต่จริงๆก็มีเขียนไว้นะก็คือคู่แขนเหยียดแขนนี่แหละใช่ไหมการคู่แขนเหยียดแขนก็เมื่อเราสร้างสสถียรยังวางเนี่ยมีการคู่แขนเหยียดแขนยกแขนขึ้นยกแขนลงนี่แหละเป็นการเจริญสี่แล้วนะอันเนี้ยถูกต้องเลยนะไม่ผิดหรอกตรงไหนก็ได้ที่เราทําแล้วนะมีการขึ้นไหวเป็นอิบทย่อยทั้งหมดเลยไม่ว่าจะครึ่งนิ้วอ่ากระทบมือเป็นอิอิรบทย่อยทั้งหมดแล้วนะถ้าเรารู้ตรงนั้นแหะ นี่เราก็จเจริญในสติฐานสี่ทั้งหมดเลยนะมันไม่เป็นเรื่องที่ว่าผิดพลาดอะไรนะตรงเนี้ยเราทําถูกต้องแล้วนะครันน้งนี้การที่เรารู้สิ่งเหล่านี้นะมันไม่ได้เป็นรู้สิ่งที่มันไกลเกินตัวใช่ไหมมันไม่ได้ไปเรียนรูนะ้สิ่งที่เป็นห่างๆไกลๆนะอะไรก็แล้วแต่อที่มันไกลนะเดีย๋ยวนี้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยรู้ไกลมากดาวดวงไหนอยู่ตรงไหนเนี่ยรู้หมดเลยมีอะไรอยู่ในดวงดาว ดวงดาวนั่นชื่ออะไรน่ยอันนั้นรู้ไกลเกินไปนะรู้อย่างนั้นก็ไม่ไม่ไม่หมดจากความทุกข์หรอกแต่นี่พระเจ้าไม่ได้บอกว่าให้รู้อะไรมากมักมากมายนะกลับมารู้กายรู้ใจเล้นี่แหละเพราะนั้นสติปัฏฐาน4เนี่ยข้อแรกเนี่ยให้เรารู้กายเรานะยืนเดินนั่งนอนรู้ไหมดื่มกินพูดคิดรู้ไหมในแค่นี้เองนะอยู่ในชีพจำบัของเราถ้าเรากลับมารู้ขณะ น, นี้กายกําลังทําอะไรอยู่ ขณะนี้ใจกําลังทําอะไรอยู่นี่แหละมันไม่หลงแล้วนะเมื่อไม่หลงมันก็รู้ทันความโกรธใช่ไหมเพราะว่าเราหลงเราจึงไหลไปไหลไปในความโกรธบ้างความรักบ้างความชังบ้างความอยากได้ยินดีทั้งหลายแหละนะแต่เมื่อใจไม่หลงคือมีสติมันก็ไม่หลงนะมันก็รู้เนรู้ตัวรู้กายรู้ใจใช่ไหมมันก็รู้หลงก็คือเรารู้กายรู้ใจนะมันไม่หลงเพราะฉนเมื่อมันไหลไปในอารมณ์ต่างๆก็รู้ทันนะรู้ทันแล้วเป็นอย่างไรนะอ่า พอเรารู้ทันปุ๊บนะรู้ทันมันก็เลยกลายว่ามันก็สามารถที่ว่ามันก็จะหยุดนะหยุดนะมันหยุดเลยมันก็ดับเลยนะอันเนี้ยคนที่มีกําลังสติเนี่ยเมื่อรู้ทันปุ๊บก็จะดับนะดับหรือไม่ก็เขาก็จะเบาลงนะความโกรกก็จะเบาลงเบาลงมันจะไม่ได้โกรธมากขึ้นนะมันจะไม่ต่อเนื่องกันยาวพอเรารู้ทันแล้วเราเห็นเอารมณ์นะกําลังโกรธกาลังรักกำลังชังเนี่ยมันจะเบาลงใช่ไหม อันเนี้ยเกิดจากอะไรเกิดจากว่าเราเราเป็นผู้ดูเขานะไม่ใช่เราโกรธนะแต่ว่าเราดูดูเขาโกรธนะดูใจมันโกรธใช่ไหมเมื่อก่อนเราก็โกรธนะแต่ตอนหลังเราโกรธก็เราดูใจมันโกรธหลวงพ่อคำเขียนว่าเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นเนาะอันนี้สําหรับนักปฏิบัติแล้วนะอ่าเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นนะเพราะฉนั้นถ้าใครเข้าใจตรงเนี้ยก็รู้ว่าอ่าการปฏิบัติธรรมนะอ่าเจริญสติเนี่ยเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นใช่ไหม บางทีเราเดินนะเมื่อก่อนเราเดินก็เราเดินเป็นเราเดินต่อมาเราเป็นผู้ดูนะเราก็แยกมาเป็นผู้ดูมีกายเป็นสิ่งถูกดูมีใจเป็นผู้ดูเราก็ดูเป็นผู้ดูกายเขาเดินเนี่ยดูไม่เป็นนะ <c oughs> อารมณ์ต่างๆก็เหมือนกันนะอารมณ์ต่างๆมีมีความคิดเกิดขึ้นเราก็ดูความคิดไปนะเมื่อก่อนเราว่าเราคิดต่อหลังเมื่อเราเข้าใจโอ้ เห็นความคิดก็เป็นผู้ดูความคิดเป็นผู้เห็นความคิดเราเป็นผู้เห็นนะเห็นความคิดหรือดูใจทํางานใช่ไหมมีมีความโกรธเมื่อก่อนก็เป็นเราโกรธเราก็เข้าใจแล้วก็ดูใจมันโกรธนะคือพอเป็นผู้ดูปุ๊บมันมันหลุดเลยนะถ้ามีกําลังเนี่ยมันหลุดไปเลยตรงนี้มันมันถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะหลวงพ่อคำเขียนก็บอกว่าเออเนี่ยเป็นมงคลแห่งธรรมอย่างอาจารย์กําพลทองบนนุ่มเนี่ยจริงๆสมัยก่อนเนี่ยท่าน ท่านก็ไปว่าทําในแค่เดือนเดียวนะแล้วท่านยกมือสร้างอยู่ว่าไม่ได้เพราะท่านไม่มีกําลังที่แข็งท่านก็นั่งพิกมือนั่งพิกมือเนี่ยวันละประมาณ6กชั่วโมงไปเวลาหนึ่งเดือนปรากฏวันหนึ่งท่านก็คือตอนแรกท่านก็ไปคอยเพลงเหมือนกันนะคอยดูความคิดเออมันจะทําไงดีมันจะเหมือนกับว่ามันจะได้มันเข้าใจเร็วๆอะไรเงี้ยแต่มันแข็งนะมันแน่นไปหมดเลยมันรู้สึกมันผิดทางแล้ว ท่านก็เลยมาเป็นผู้สังเกตมาเป็นผู้ดูทําำสบายแล้วมาเป็นผู้ดูเปลี่ยนมาเป็นผู้ดูไม่เป็นไปเป็นผู้ดูแล้วก็มีสิ่งถูกดูนะพอเปลี่ยนเป็นผู้ดูแล้วก็เห็นเลยใจมันนิ่งๆมันผู้ดูนะดูกายมันเคลื่อนไหวก็เลยไปเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นก็เลยเห็นกายมันถูกดูเห็นใจเป็นผู้ดูมันก็เลยแยกมานนะแยกเหมือนกับตลับย่าหมองกับฝ้ายําหมองก็แยกกันเลยเพราะตรงเนี้ท่านเป็นผู้ดูไม่ผู้เป็นแล้วมันก็เลยแยกกายและใจออกมาจากกันนะท่านก็เลยเข้าใจธรรมะ ตอนนั้นท่านก็เขียนจะหมายไปถามหลวงพ่อก็กล่บอกว่าอันนี้ก็เป็นคําตอบเดียวกันก็คืออ่าเป็นผู้ดูไม่ ผ, ผู้เป็นผนะอหลวงพ่อยางเน้นอยู่เรื่อยๆว่าอืเห็นนะไม่เป็นเห็นไม่เป็นเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นอ่าก็ครั้งหนึ่งก็มีนักปฏิบัติคนนึงก็ถามหลวงพ่อบอกว่าอาวันนี้หนูเครียดจังเลยหลวงพ่อว่าให้ถามใหม่นะๆๆนก็เลยถามว่าอวันนี้หนูเห็นความเครียดหลวงพ่อว่าอถูกฟองแล้วใช้ได้เนาะ ตรงนี้เราก็เปลี่ยนมาเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นนะมันก็แยกมาเราเดินจงกรมแล้วก็ดูกายมันเดินเราก็เป็นผู้ดูนะมีความคิดเราก็เห็นความคิดไปมันก็เลยแยกเป็นสามอย่างนะมีกายเราก็ดูกายมีใจเราก็ดูใจส่วนเราอเป็นผู้ดูนะตรงนี้มันก็แยกรูปแยกนามได้มันเป็นการแยกธาตุแยกขันแยกธาตุแยกขันแยกกายแยกใจนะมันไม่ตัวไม่ตนของเรานะกายก็ไม่ของเราแล้วใจก็ไม่ของเราแล้ว เพียงแต่ว่าเขาทํางาน <c oughs> ทํางานจริงๆเขาทางานของตัวเขาเองนะไม่ใช่เราทํางานหรอก <c oughs> ไม่ใช่ว่าเราอเราเดินไม่ใช่ว่าเราคิดแต่จริงๆแล้วมันเป็นอาการของกายที่กายเขาเดินะหรือใจเขาคิดก็เป็นอาการของใจที่เขาคิดตรงนี้มันไม่ตัวไม่ตนของเรานะเราเป็นแค่ผู้ดูเท่านั้นเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้เนาะเราจะให้เขาหยุดคิดก็ไม่ได้ใช่ไหมหยุดคิดตั้งห้านาทีก็ยังไม่ได้เลยแล้วเรายังไม่รู้อีกนาทีข้างหน้าเขาจะคิดอะไรนะ ถ้าเป็นของเราเราก็ต้องรู้นะเออมันจะคิดอะไรรู้ทันหรือบังคับให้เราให้เขาคิดตามเราต้องการได้ทุกอย่างนะเราก็บังคับไม่ได้นะกายก็บังคับไม่ได้กายเนี่ยนะเราเนื่อว่าเราให้ก็ยืนเดินนั่งนอนได้แต่ลองดูดิหัวใจทํางานเองไหมใช่ไหมไม่ต้องสั่งเขาทางานเองปอดก็ทํางานเองนะอ ว, วัยวะภายในกระเพาะอาหารเส้นเลือดน้ําเหลือง ม, ม้ามตับไตทํางานเองหมลเลยนะแก่ก็แก่ เ, เอง หนังเหี่ยวตาฟางผมงอบหูตึงเขาทางานเองหมดเลยนะเนี่ยเขาทํางานเองทุกอย่างนะเราแค่เป็นผู้ดูเท่านั้นะถ้าเราเข้าใจจะรู้ว่าเออ ก, การปฏิบัติธรรมทั้งหมดเพื่อให้เห็นปิตัยรักนะเห็นความไม่เที่ยงอเป็นทุกข์เป็นปนักต า, บ, า, าบังคับบัญชาไม่ได้นี่แหละบางวันเราก็เปิบัตดดีใช่ไหมบางวันมีสติเกือบทั้งวันอวันต่อมาก็รู้สึกไม่ดีนะไม่ดีเราก็มีความทุกข์เออวันนี้ทํำไมไม่ดีเราก็มีความทุกข์นะอันเนี้ย แต่ถ้าเราเข้าใจปัตยรักโอ้คนเข้าใจนะไม่มีความทุกข์หรอกเนี่ยเขาแสดงเราเห็นแล้วนะว่าระบังคับก็ไม่ได้เขาจึงไม่เที่ยงบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีเราก็ไม่มีความทุกข์เราก็เข้าใจเขานะเพราะฉนั้นน่ยที่เราเคยสวดประจําตอนเช้าว่าสัพเพสร้างฆาลา อ, อนิจจาสัพเพสร้งางฆาราทุกขาสัพเพสร้งางฆารานักตานะสวนทุกวันใจมันแค่ระดับสมองเท่านั้นเองนะมันไม่ใช่ระดับของจิตใจ ตรวจวันละพันครั้งมันก็ระดับสมองไม่ได้เข้าไปในจิตใจใจเขาไม่เข้าใจหรอกใจเขาไม่รู้เรื่องใจเขายังไม่เข้าใจนะการที่จะให้ใจเขาเข้าใจทําอย่างไรก็คือเขาเห็นให้เขารู้บ่อยๆนะให้เห็นอนิจจังนุกังตานี่แหละเห็นความไม่เที่ยงความทุกข์หรือบังคับบัญชาไม่ได้บ่อยๆเห็นใจเขาทางานเองเห็นกายทํางานเองนะเราไปบัตรธรรไปมีความคิดแวบหนึง่งเออสังเกตไม่ว่าใจมันทํางานเองนะบังคับไม่ได้หรอกนะ ตรงนี้ต้องเห็นนะหรือบางวันทําปฏิบัติแล้วดีหรือไม่ดีบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีนี่เห็นไหมว่าไม่เที่ยงเราหรือปฏิบัติทำแล้วมันเมื่อยปวดเมื่อยเปลี่ยนในบทนะนี่มันแก้ทุกข์นะคือเห็นอะไรก็ได้ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือบังคับบัญชาไม่ได้นะให้ใจก็เห็นบ่อยให้ก็รู้บ่อยในสุดจิตก็จะสรุปได้เองว่าเออเนี่ยเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้นะเพราะฉนั้นเขาจึงไม่ใช้ตัวไม่ตนของเราแล้วก็จะเกิดการปล่อยกันวางเนาะ แต่ถ้าเป็นเราทําแล้วมันไม่ดีก็ต้องทำให้เข้าดีนะอ่าเขาไม่สงบก็ทำให้เขาสงบหรือว่าเขาอ่ามีความโกว ก, ก็ทําให้เขาหายโกรธคือไปบังคับเขาไปคอยอ่ากดข่มเขาให้เป็นปตามเราต้องการเนาะอันนี้เมื่อเราทําไปแล้วมันกลายเป็นตัวตนคือมีตัวเรานะั่ยแหละไปทําแล้วเราก็จะไม่เห็นปัจจัรักตามความเป็นจริงเนะาะจะไม่เห็นว่าเออเขาเกิดแล้วก็ดับอ่าเขามาแล้วก็ไปเขามีแต่ความไม่แน่ไม่นอนบังคับบัญชาไม่ได้เราจะไม่เห็นแต่ว่าเห็นตัวเรา ไปบังคับเขาได้เนาะมันก็เป็นตัวตนของเราเพราะการบัติธรรมไม่ใช่ว่าเราไปบัตรแล้วมันต้องดีต้องได้ดีดูครั้งหรือต้องเป็นประดับที่เราต้องการดูครั้งแต่ว่าเราเห็นไปตามความเป็นจริงนะการเห็นไปตามความจริงก็คือดีก็ได้ไม่ดีก็ได้นะเพราะว่าทั้งดีและไม่ดีก็คือเขาแสดงว่าใจรักทั้งหมดเขาแสดงความเกิดดับนะความไม่แน่ไม่นอนการมาแล้ก็ไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นตรงนี้นะถ้าเราไปบังคับเขานะมันกลายเป็นตัวตน แล้วมันก็จริงๆแล้วมันก็เป็นสมถะนะแต่ถ้าเราเห็นไปตามความจริงอะไรก็ได้ดีก็ก็ได้ไม่ไม่ดีก็ได้ทั้งหมดเลยนะทั้งกายและใจนี่แหละเราแค่เห็นเท่านั้นเองนะเขาแสดงพระไตรลักษ์ตามความเป็นจริงจากการที่ดีและไม่ดีนี่แหละตรงนี้เราจะเข้าถึงธรรมได้ง่ายเนาะเพราะฉนั้นไปปฏิธรรมอุปสรรคสําคัญก็คือไม่ต้องเอาดีนะอ่เพราะถ้าเอาดีมันจะมีตัวตนเราไปเอาแต่การที่เราไม่เอาดีนั่นแหละเขาแสดง พระใรักได้อย่างชัดเจนนะทั้งดีและไม่ดีเขาแสดงพระใจรักได้ทั้งหมดอยู่เด้วเราเห็นไหมกายและใจนี้เขาแสดงตลอดเวลาอยู่แล้วนะเราก็เห็นก็ บ, บ่อยนะเห็นไม่บ่อยรู้ บ, บ่อยนี่แหละตรงนี้จะทําให้ใจเขาเข้าใจใจเขาเกิดการยอมรับเขาจะเกิดการจางแจง้งและนี่แหละคือการเดินปัญญาเนาะเมื่อการเดินปัญญาเกิดขึ้นแล้วการหลุดพน้นก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อเกิดปัญญาแล้วก็จะเห็นสภาวะทุกอย่างมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตา จิตก็จะเกิดความเบื่อหนายแล้วนะเมื่อเบื่อหนายก็คลายกำหนัดเมื่อกำหนัดจิตก็หลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นก็รู้ว่า ห, ห, หลุดพ้นแล้วนะนี่คือการพ้นทุกข์แล้วก็เมื่อเราพ้นทุกข์ในชาตินี้วัดตรงสารเราก็จะหมดสิ้นไปไม่ต้องเบียนบ้ายตายเกิดในสังขละวัฏอีกต่อไปเนาะอันนี้คือหนทางความพ้นทุกข์ที่แท้จริงเนาะเพราะฉะนั้นในไทยที่สุดนี้ก็ขอรัตนาบา ร, รมีคุณพระรัตไทรน้อมนำทุกท่านจเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญา และถึงนิสสุทห่งทุกโดยเร็วพานทุกท่านเทิน